เรื่องการเกิดใหม่หรือการเวียนว่ายตายเกิดได้กล่าวไว้แต่เบื้องต้นแล้วว่าหลักกรรมกับสังสารวัตรหรือการเวียนว่ายตายเกิดมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดหลักกรรมจะดำรงอยู่ได้หรือถ้าได้ก็ไม่สมบูรณ์ถ้าไม่มีเรื่องสังสารวัตรเพราะชีวิตเดียวสั้นเกินไปไม่พอพิสูจน์กรรมให้หมดสิ้นได้มีปัญหาหลายอย่างที่น่าสงสยัยเช่น ทำไมคนดีบางคนจึงมีความเป็นอยู่อย่างต้อยต่ำลําบากสุขภาพอนามัยไม่สมบูรณ์ร่างกายอ่อนแอส่วนคนที่เคยใครเห็นว่าชั่วบางคนกลับมีความเป็นอยู่อย่างสุขสําราญมีร่างกายแข็งแรงเราไม่อาจคลายความสงสัยได้ถ้าพิจารณาชีวิตกันเพียงชาติเดียวหลักกรรมและการเกิดใหม่จะบอกเราว่าคนที่เราเห็นว่าชั่วนั้น เขาย่อมต้องเคยทำกรรมดีมาบ้างในอดีตและคนที่เราเห็นว่าดีอยู่ในเวลานี้ย่อมต้องเคยทำกรรมชั่วมาบ้างเหมือนกันกรรมดีย่อมให้ผลดีกรรมชั่วย่อมให้ผลชั่วตามอิทธิพลของมันเที่ยงตรงที่สุดไม่เลือกที่รักผลักที่ชังอันหนึ่งหลักทางพระพุทธศาสนาตามพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ามีอยู่ว่า ตราบใดที่บุคคลยังมีกเกลียดอยู่เขาย่อมต้องทำกรรมดีบ้างชั่วบ้างกรรมดีย่อมมีวิบากหรือผลดีกรรมชั่วมีวิบากชั่ววิบากดีก่อให้เกิดสุขวิบากชั่วก่อให้เกิดทุกข์สุขทุกข์เหล่านั้นย่อมมีชาติคือความเกิดเป็นที่รองรับปราศจากความเกิดเสียแล้วที่รองรับสุขทุกข์ย่อมไม่มีกรรมก็เป็นหมันไม่มีผลอีกต่อไป พูดอย่างสั้นว่าตราบใดที่บุคคลใดยังมีกิเลสอยู่เขาย่อมเกิดอีกตราบนั้นบุคคลที่ยังพอใจอยู่ในกามคือยังไม่อิ่มในกามยังมีความกระหายในกามใจยังแสหากามย่อมเกิดอีกในกามมาพบเพื่อเสพกามตามความปรารถนาของดวงจิตที่มีกามมักกิเลสห่อหุ้มพัวพันคลุกเคลาอยู่บุคคลที่หน่ายกามแล้วเลิกละกามแล้ว แต่จิตยังเอิบอิ่มอยู่ในฌานสมาบัติเบื้องต้นสีขั้นที่ท่านเรียกว่ารูปฌานเขาย่อมเกิดอีกในรูปประพบเพื่อเสพสุขอันเกี่ยวกับฌานในพบนั้นท่านผู้พอใจในความสุขอันประนีต ก, กว่านั้นที่เรียกว่าความสุขในอรูปฌานย่อมเกิดอีกในอรูปประพบผู้เบื่อหน่ายต่อความสุขอันยังเจืออยู่ด้วยกิเลสดังกล่าวมาแล้วละกิเลสได้หมด ไม่มีเกลียดเหลือก็เข้าถึงนิพพานไม่ต้องเกิดอีกต่อไปสิ้นสุดการเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องสุขบ้างทุกบ้างอีกต่อไปเป็นผู้พ้นจากสภาพที่จะเรียกได้ว่าเป็นอะไรเป็นอย่างไรพ้นจากสุขทุกข์ทั้งปวงพบคือที่ถือกําเนิดของสัตว์จึงมีสมคือกามาพบรูปปพบและรูปปพบพ้นจากนี้แล้วไม่เรียกว่าพบในภาวะสูตร พระอานน์เข้าไปทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพบมีได้เพราะเหตุใดพระผู้มีพระภาคตรัสถามย้อนว่าถ้ากรรมที่เกี่ยวกับกรรมจากไม่มีแล้วกามมพบจากมีได้หรือไม่ถ้ากรรมที่เกี่ยวกับรูปธาตุหรือรูปฌานหรือที่เกี่ยวกับอรูปธาตุหรืออรูปฌานจากไม่มีแล้วรูปประพบอรูปประพบจากมีหรือไม่ พระอานนนทูลตอบว่ามีไม่ได้เลยพระพุทธองค์จึงตรัสว่าเพราะเหตุนี้แหละอานน์ในการเกิดใหม่นั้นกรรมจึงเป็นเสมือนเนื้อนาวิญญาณเสมือนพืชตัณหาเป็นเสมือนยางเหนียวในพืชดังบาลีว่ากรมมังเขี ต, ตังวิญญาณนางพีชังตัณหาสินเดโหดูก่อนอานน์ความตั้งใจความจงใจหรือเจตนา ความปรารถนาของสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องห่อหุ้มมีตันหาเป็นเครื่องรึงรัดได้ตั้งลงแล้วในธาตุอันเลวคือกามธาตุธาตุปานกลางคือรูปธาตุและธาตุปราณีตคืออรูปธาตุเมื่อเป็นดังนี้การเกิดในพบใหม่ก็มีขึ้นได้อีกตามพระพุทธภาษิตนี้ชี้ชัดทีเดียวว่าการเกิดใหม่ของสัตว์ ย่อมต้องอาศัยกรรมกิเลสหรือตันหาและวิญญาณมีความสัมพันธ์กันเหมือนเนื้อนาหรือดินพืชและยางเหนียวในพืชอันทำให้พืชมีคุณสมบัติในการเกิดขึ้นใหม่ได้อีกเมื่อมีสภาพแวดล้อมเหมาะสมพืชที่ถูกขั้วให้แห้งหรือเอาเหล็กแหลมเจาะทำลายเม็ดนายเสียแล้วย่อมไม่อาจเพาะหรือปลูกให้ขึ้นใหม่ได้อีกไม่ว่าสภาพแวดล้อม เช่นดินน้ำปุ๋ยจะดีสักเพียงไรชั้นใดวิญญาณที่ไม่มียางเหนียวคือตันหาหรือกิเลสห่อหุ้มผูกพันอยู่ก็ยังไม่ต้องเกิดอีกไม่ควรเพื่อการเกิดใหม่ชั้นนั้นตามนัยนี้แสดงว่าพระพุทธเจ้าทรงยืนยันเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดของวิญญาณที่ยังมีกิเลสและกรรม ยังมีเจตนาเพื่อความปรารถนาในการมภพบรูปประพบและอรูปประพบสัตว์จะไปเกิดในพบใดก็สุดแล้วแต่กิเลสและกรรมของเขาที่เกี่ยวกับพบนั้นเหมือนบุคคลฝึกฝนสิ่งใดพอใจกระทำสิ่งใดย่อมได้รับผลของสิ่งนั้น